วันนี้เป็นวันออกพรรษาอันดับแรกฝ่ายพระสงฆ์บ่าย5้าโมงก็ได้ทำการปรวรณาออกพรรษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็ได้ทำวัดสวดมวลเย็นก็จบผ่านไปแล้วพอต่อมาพวกเราก็ได้ทำวัด คารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ประม า, าทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคิดได้ระลึกได้หรือไม่ระลึกได้แต่พวกเรามันก็อย่างว่าใจของเรานี่ยมันแสเวบไปสเวบมาบางทีก็รู้จริงบางไม่รู้จริงบางเกิดประม า, าทพลาดพังในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ครูบาอาจารย์ ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอมาหากรุณาธิคุณอดโทษให้แก่พวกเราพวกเราจะสั่งรมระวังต่อไปอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้กราบคารวะทมวัดอหมุดน้ําดําหัวดังนั้นแต่ขอท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก็ะจกลงไปแล้วที่มาพูดถึงการ ที่พวกเราก่อนที่จะเข้าพรรษาปีนี้พวกเราก็ได้พูดกันเกี่ยวกับตั้งสัจจะอธิษฐานวันในพรรษานี้พวกเข้าไปเจ้าตัวของเราจะทำอะไรบ้างมีการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลห้าศีลอุโบสถตลอดถึงงดอบายมุกทุกอย่างชุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลาย จะได้ตั้งสัตว์จะอธิษฐานฝ่ายพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันจะไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดนั่งสมาธิภาวนาวันละกีนาทีกี่ชั่วโมงพวกเราได้ทำมาตลอดไตรมาสสามเดือนวันนี้เป็นวันออกพรรษาจบไตรมาสวันนี้แต่จะให้จบจริงๆก็คือวันพุ่งนี้ล่ละรักษาราตีไว้อีกหนึ่งราตีไปว่าจบพรรษาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสั่งสมสร้างสมคุณงามความดีด้วยสัจจะบารมีของพวกเรา เ, เมื่อออกพรรษาแล้วก็ตั้งกิจอธิษฐานขึ้นมาว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมคุณงามความดีตลอดไตรมาสสามเดือนรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถให้ทานตามที่ได้กาหนดเอาไว้ด้วยสัจจะบารมี บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วด้วยความตั้งใจด้วยสัจจะขอบุญบา ร, รมีนั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขอย่าให้มีอุปสรรคใดๆปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของความถูกต้องเป็นธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาอันนี้ก็ขอให้พวกเรา ตั้งจิตอธิษฐานรับรางวัลมาไงจ๊ะพวกเรารับรางวัลที่พวกเราได้สั่งสมคุณงามความดีตลอดไตรมาสสามเดือนแล้วนะเพราะนั้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วไงให้พวกเรากาับาพระประธานตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณงามความดีคุ้มครองเราและก็พร้อมกันเมื่อออกพรรษาไปแล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะเบิกคอยหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าข้าพเจ้างดในการฆ่าสัตว์พอออกพรรษาแล้วยิ่งฆ่าสัตว์มากขึ้นไปอีกอันนั้นไม่ได้ไม่ถูกนะถ้าเรางดการดื่มสุราออกพรรษาแล้วจะเบิกคอยหลังมันก็ไม่ถูกเราควรจะพิจารณาดูว่าการทําอย่างนั้นมันเกิดโทษประโยชน์อย่างไรบ้างเราต้องกันกรองพิจารณาด้วยปัญญาของเรา ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่เหมาะสมเราก็ควรพยายามให้ถอยห่างออกพยายามให้ห่างออกห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกจากความชั่วมันจึงจะถูกเราให้เห็นโทษของความชั่วมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าเราห่างเข้าไปแล้วพอออกพรรษาแล้วยิ่งถลำลึกเข้าไปอีกอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ปาฏิไม่ใช่ปา เพียงแต่หาจังหวะเท่านั้นเองเองดเว้นจากนั้นก็ทำลึกถลำเข้าไปลึกกว่านั้นอีกจนถอนตัวไม่ขึ้นอันนี้ใช่ไม่ได้นะใช่ไม่ได้ไม่ใช่ปลาลนักปาดปัญฑิตล้วต้องมองเห็นสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทาสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดเราต้อง ให้ตรวจตราด้วยปัญญาของเราสมาทิิของเราสมาสิติของปัญญาที่เราไต่ตรองเหตุและผลดูแล้วก็ควรจะงดเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้แหละพวกเราให้ตรวจตราดูเมื่อออกพรรษาไปแล้วก็อย่าให้มันขาดตกปกผ่องจนเกินไปเราก็พยายามสืบทําสืบต่ออยู่เสมอ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเมื่อการเหมาะสมอย่างไรเราก็ควรจะทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ตามเราหรอกออกพรรษาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นความแก่ความตายของเราก็ตามติดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นเราจะไปเผลอหรือว่าเราจะไปสั่งสมสิ่งอุปสงค์เหล่านั้นมันก็ไม่ถูกนะ หลวงพ่อว่านะควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจโดยสม่ำเสมอสั่งสมบุญไว้ไหวพระสวดมนต์ไว้ปีหน้าพอวหน้าแล้งเราก็มีธุระการงานที่จะต้องทำแต่ในพรรษานี้ได้ขนาดที่หลวงพ่อกว่านับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างมากทีเดียว ได้รักษาศีลตลอดรอดฝั่งตลอดไรมาตสามเดือนท้าววาต่อไปภายภาคหน้าอายุของเราสูงขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ควรจะขมักขมันทำให้เข้มงวดกวดขันเข่าเพราะจะเดินเข้าสู่หลักประหารใกล้ๆเข้าไปแล้วเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาลืมเนื้อลื ม, ลมตัวก็ไม่ถูกนะหลวงพ่อว่าน ะ, ะควรจะเตรียมพร้อมอ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้มากๆพวกเราจะไม่สะทกสะทานเมื่อมรณะภัยมาถึงสำหรับพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระสาวกยกตัวอย่างอย่างพระจักคูบาลอย่างนี้ ท่านไปอยู่ในป่าพร้อมกับพระสงฆ์จำพรรษาด้วยกันส0มสบรูปท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะถืออริยบทสาคือยืนเดินนั่งจะไม่เอ็นกายโดยเด็ดขาดจะไม่นอนเมือนะไม่เอาอริยบทนอนมีแต่ยืนเดินนั่งสมอริยบท ตรอดไตรามาส3เดือนแต่วันสุดท้ายวันเนี้ยท่านก็นั่งภาวนาตาของท่านก็มีปัญหามาเรื่อยๆเพราะท่านไม่ท่านไม่นอด น, นะพอผลที่สุดท่านก็ตาแตกตาบอดแล้วก็กิเลส ข, ของท่านก็แตกเอกพันษาก็ออกพอดีสามการอยู่ในวันเดียวกันประจักกุบาล ตาของท่านแตกพันษาของท่านออกวันนั้นกิเลส ข, ของท่านหลดุดออกจากใจของท่านในวันนั้นท่านเป็นพระอระหันต์ในสามวาระตาแตกออกพรรสากิเลสหลุดพ้นแต่ท่านเสียใจไหมที่ท่านตาแตกถามพระจักขุบาลท่านไม่เสียใจ ท่านไม่ได้เสียใจกับตาของท่านข้อสําคัญให้บุดพ้นจากกิเลสและกระจกท่านภาคภูกใจที่ท่านได้หลุกพ้นจากกิเลสแต่การตาบอดของท่านก็เป็นบุปกรรมเก่าของท่านอีกไม่ใช่ว่าคนอดนอนสมเดือนแล้วจะตาแตกทุกคนไม่ใช่อันนี้เป็นบุปกรรมของพระจักคุบาลในอดีตชาติพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าพระจักคุบาลเป็นหมอตา แล้วไปรักษาตาให้เขาพอไปรักษาตายเขาเขาหายแล้วแต่เนี่เขาไม่มีเงินให้พระจักกุบาลเนี่ยไปทวงไปทวงเงินเขาขณะที่พระจักกุบาลไปเห็นเนี่ยเขาก็ทําท่าตาบอดหลับตาว่าตามองไม่เห็นเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้พระจักกุบาลก็แต่งยาให้แต่คนรอบข้างเขาบอกว่าเอ้ยตามันหายแล้วแต่พอหมอตามาแล้วกระทำท่าตาบอด พอหมอตาไปเมื่อก็ตาดีอย่างเก่าพอหมอตามาหาจะทวงเงินมันมันก็นทําท่าตาบอดเป็นอย่างงี้่ะละยายเนี้ยพระจักกุบาลที่เป็นหมอตากันเลยโมโหทิเดี๋ยเออเอาเัอนะมันทําไมขี้โกงเราวะแตนี้พระจักกรุบาลก็เลยแต่งใส่น้ํากดเข้าไปบ้านีใส่น้ํากดเข้าไปในยานั้นก็บอกกับเขาบ้านี่เอ้ ถาว่าเจ้าเนะี่ยใช้ยาตัวนี้นะตัดหลกักตัดโคนพอใส่เข้าไปเจ้าจะหายตาดีสายแจ๋วอะไรระบาดเนี้นะแต่ก่อนมันยังเฝ้าฟางอยู่เขาก็อยากจะตาดีให้มันหายเหมือนกันเถอะทีนี้พอหมอยาหมอบภปเนะี่ยเขก็ออกไปแต่ในใจมึงเถอะมึงใส่เข้าไปก็ตาบอดแน่ๆระคาวนี้เหมืนกักูใส่น้ํากดลงไปแล้วลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใส่น้ํากดใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วเหมนัน แต่วใส่ยาที่ว่ามันเป็นพิษนะว่างั้นตอนนี้คนนั้นเขาเลยใส่ยาเข้าไปต า, าก็เลยบอดทั้งสองข้างนั่นแหละบุ ป, ปกรรมหรือกรรมเก่าของพระจักกุบาลที่ทำไว้ในอดีตพอมาถึงชาติปัจจุบันที่ท่านจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารวิบากกรรมตัวนั้นก็วิ่งเข้ามามาให้ท่านใช้วิบากกรรมก่อนที่ท่านจะหมดจากกิเลส น, นั่นแหละ ว่ากรรมตัวนี้น่ากลัวนะขนาดพระหรหันต์ที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอยู่แล้วกรรมตัวนั้นก็ยังวิ่งเข้ามาจนท่านให้ท่านตาบอดตาแตกว่างนั้นแท่พระจักกุบาลรับวิบากกรรมของตนเองที่ได้ทําไว้ในอดีตเหมาะสมแล้วที่ตัวเองตาบอดในชาตินี้เพราะว่ากรรมตัวนั้นให้ผล อันยานธัศนะของพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้หมดว่าใครทํากรรมอันไหนเอาไว้ในอนดีตในปัจจุบันได้รับอย่างไรท่านรู้ไว้ท่านรู้ได้หมดอ่เหมือนกับเราไปทานอย่าระบายไว้อย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้มาถึงที่นี่มันก็ต้องละบายเพราะเหตุอะไรเพราะเราไปทําเหตุไว้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น เราไปกินยาพิษเข้าไปมันก็ต้องเป็นพิษขึ้นมาพเพราะหะไรเพราะเราไปกินยาพิษไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกรรมเก่าที่เราทําไว้ในสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะต้องตามสนองพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีย่าริธรรมถ้าทําไปแล้วกรรมนั้นจะตามสนองกรรมโมนีนาวัตติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วถ้าเราทํากรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพวกเราควรไตรตรองดูให้ดีทําแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่เป็นธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้ก็คือฝ่ายพระสงฆ์ที่ท่านให้ภาวนา ชําระ ก, กิเลสพนั้นในคืนนี้นะถ้าเป็นไปได้เราทดลองดูสิไม่นอนสามเดือนอย่างพระจักกุบาลนนะ่ะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ภาวนาตลอดคืนเป็นยังไงอดนอนดูสิเป็นยังไงพร อ, อาหารเราเคยพ่นมาแล้วอดอาหารเคยอดมาแล้วเป็นยังไงแต่อดนอนถ้าอย่างถ้ายังไม่เคยอดอทดลอง มันอาจจะถูกจริตนิสัยของเราก็ได้เพราะนั้นการอดนอนผ่อนอาหารเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่มารักษาศีลในวันนี้ที่มานอนวัดในวันนี้ได้มาภาวนาในวันนี้เป็นวันออกพรรษาขอให้พวกเรา อุทิศตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็พยายามนั่งภาวนาให้มากกว่าทุกวันที่ผ่านานมานทุกวันที่ผ่านมาเรานั่งภาวนาเดินจงกรมอยู่ในระดับหนึ่งแต่คืนนี้เราต้องพยายามทำให้มากเจริญให้มากทำให้ต่อเนื่องทำให้ดีที่สดุดเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรา เพอิะนั้นให้พวกเราตั้งใจนะวันนี้ก็เดินไงเราจะเดินจงกรมณนะที่ไหนก็ได้นะตั้งฝ่ายญาติโยมเยเอาให้ครูบาจุดไฟไว้ข้างข้างศาลาจะให้เดินจงกรมแถวของใครของเราภาวนาของใครของเราจากนั้นก็มานั่งภาวนาอย่าไปพูดไปคุยกันคนที่พูดคุยกันไม่ได้นะมันเป็นการลบกวนคนอื่นเขาอย่าทาเป็นบาปแกตนเอง แต่ตัวเองไม่ได้ภาวนาอย่าไปคุยกันอย่าไปให้มันมีเสียงถ้ามันมีเสียงแล้วมันไปการรบกวนคนอื่นเขาเขานั่งภาวนาแล้วจิตใจของเขาไม่ได้รับความสงบเพราะพวกเราคุยกันไม่ไดเ้เป็นบาปเป็นกรรมนะเพราะนั้นมาวัดมาวาต่างคนต่างอยู่เพราะกลางวันแล้วก็พูดคุยกันแล้วกลางค่ากลางคืนเป็นช่วงที่สงบปีกวิเวชหาความสงบงบเ ง, งียบเพราะนั้นต่างคนก็ต่าง ภาวนาของใครของเราพุทโธของใครของเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสูใจนั่นแหละจึงจะเกิดประโยชน์แต่ว่าพวกเรามาแต่ว่าทำเฉยๆเหมือนกับทัพพีแช่อยู่ในหม้อกแกงขวางหม้อกแกงอยู่งั้นใช้ไม่ได้นะอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจริงๆบุญกุศลเกิดจะเข้าสู่จิตใจของเรา ใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสิ่งควรทําไม่ควรทําถ้าจิตใจของเรามีเหตุมีผลแล้วจิตใจของเรามีทาแล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนนะทั้งฝ่ายกระว่ายาดโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทุกองนั่นนะ่ะพยายามทําความภาคเพียรวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วจะถึงหลักัยหรือไม่ถึงหลักัย วันนี้แหละเป็นวันว่าข้าพเจ้าจะถึงหลักชัยไหมถ้าไม่ถึงอ้าวแปลว่าเราแพ้ไปแล้วปีนี้อ้าวเตรียมปีต่อไปองั้นแหละสู้อีกเอสู้ไปจนนู่นละ่ะจนเอาชนะมันได้นู่นละ่ะอ่าเพระนั้นพวกเราถ้าเอาชนะได้นี่พรรษานี้แล้วยุคนี้แล้วก็จบกันะ่ะใช่ชนะไม่ได้ก็เอาทาต่อไปอีกงั้นนะ เหมือนกับเราทานอาหารมันอิ่ไม่เป็นถ้าเราไม่ตายอันนี้คงเหมือนกันถ้าเราไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจไปเรื่อยๆจนถึงอิ่มเมื่อไหร่พ้นทุกข์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะจบบริบูรณ์นิพพานังปร r a m a n g สุญญ์ังนิพพานังปร r a m a สุขขังจบระบาดนิพพานังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งละถึงนิพพานแล้วก็จบละ่ะแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องสังสมบุญกุศล อย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำอยู่ดังเดียวนี้เนะ่ล้มพกุกทุกข์คันได้บางเสียบางดีบางชั่วบางาแต่ก็พยายามพยายามไต่เต้าให้จิตใจของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้คือแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่สำหรับภาคปฏิบัตินั้นหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกสอนแล้วสอนอีก แต่ว่าการสอนการแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเคยคิดว่าผู้เข้ามาใหม่ก็มีผู้ที่เก่ากว่านี้ผู้ที่เก่าก็ได้ฟังซ้ําแล้วซ้ำซากซ้ำซ้ำซากซาแต่ผู้ที่มาใหม่ก็โอ้พึ่งได้ยินเดี๋ยวนี้เองฮพราะนั้นผู้ที่อผู้ที่เก่าก็อย่างที่พงหลวงพ่อเคยพูดถ้าผู้ที่เก่าในเมื่อได้ยินที่หลวงพ่อพูดออ เบื้องต้นในการนั่งภาวนาพวกเราก็เข้าสมาธิของเราไม่ต้องรับรู้รับสราบดูใจของตนเองตลอดไปแต่ถ้าว่าถึงตัวเองเอยังไม่รู้จุดนี้เราก็ฟังส่งจิตออกมาติดตามว่าแนวธรรมะข้อนี้เป็นยังไง เ, เราจังไม่ได้ยินได้ฟังหรือเราได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัด อย่างนี้เราก็ออกมาติดตามในการฟังแต่สิ่งไหนที่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็นั่งสมาธิไม่จำเป็นจะต้องฟังกําหนดดูใจของตัวเองให้อยู่ในสมาธิอันนี้แปลว่าผู้ฟังเทศเป็นผู้ฟังธรรมเป็นแต่ถ้าว่าฟังไม่เป็นก็คือซื่อบื้อไปเลยไม่รู้จักตีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักอะไรเออเผลอเออหมาไปนอนขี้ตม จนสาดน้ําไม่เข้าหลังหมาวางานเลยเพราะมันติดขี้ตมหมดเน่มันติดกิเลสหมดกิเลสราคะกิเลสโทสะพอกไปหมดจนไม่เห็นตัวหมาสาดน้ําใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เข้ากระทั่งขนหมาวางานเลยอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะเน่ถ้าว่าเรายังเป็นขนหมาอยู่ก็สาดเข้าไปมันก็จะได้ซึมซับอยู่ในขนมันอย่างน้อยก็ไปสั่นเพลิดออกมันก็ยังติดในตัวของมันอยู่ ไปช่วระยะหนึ่งไว้กันแต่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเราจะให้เป็นอย่างนั้นเราต้องฟังแล้วก็ศึกษาจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเพราะว่าการได้ศึกษาเนี่ยก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือจากท่านผู้รู้จากใครก็ตาม ถ้าพูดเป็นอัดเป็นธรรมมันกระทบใจของเราเใจของเราเกิดความคิดขึ้นมาถูกต้องแต่ก่อนเราไม่เข้าใจอย่างหลงพ่อเคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านว่าอาสุภะภายนอกอสุภะภายในตลงพ่อก็เคยได้ยินอสุภะภายนอกเป็นยังไงอสุภะภายในเป็นยังไงแต่มีมาได้ยินพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดให้ฟังอสุภะภายนอก ก็คือเห็นร่างกายคนทั่วๆไปอสุภะภายในเราไปเห็นสิ่งที่เราต้องการคิดในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เราไปเห็นในความรู้สึกในใจของเราเห็นตามความเป็นจริงอันนี้อสุภะภายในเออพอจากนั้นหลวงพ่อก็เข้าใจในระดับหนึ่งเป็นครั้งแรกว่างานเสระ ทั้งที่ไม่ใช่หลวงปู่หลวงตาท่านเทพเป็นครูบาจารย์ระดับหนึ่งที่ท่านปลูกหลวงพ่อก็จําจําไม่ลืมเออแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดจุดนี้แต่บัดนี้ท่านก็สอนให้ฟังอยู่องค์อื่นครูบาจารย์หลวงตาท่านก็สอนในเทพในหนังสือแต่เราไม่เข้าใจแต่พอมาฟังอีกระดับหนึ่งเราเข้าใจเอออาุภะภายนอกมันเป็นอย่างนั้นอาชุพะภายในใจของเราเนี่ยตัวนี้น่ากลัว พ่อสอนที่จะเป็นอสุภะภายนอกมันต้องออกไปจากตัวนี้ซะก่อนไปให้ความสําคัญมันมันจึงเป็นอสุภะและเป็นสุภะและเป็นอสุภะมันออกไปจากใจแท้ๆไงทาไมตะ่อนเราจึงไม่รู้มันจุดนี้ไงเจนี้เราก็รรู้ตน้นตอของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากตัวนี้ทางนั้นอ่ะอันะนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทัน้งหลายเพราะการได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังอยู่ในครั้งเดียวหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้ มาแล้วท่านมีชื่อเสียงครูบาอาจารย์ที่ร้องนับถืออย่างยิ่งเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์ในการได้ยินในฝังไม่ใช่การได้ยินจากใครก็ตามถ้าได้ยินแล้วนํามาเป็นประโยชน์ในใจของเรานั่นแหละก็เกิดประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าของเรานะท่านพระอา น, นุนท่านก็ไม่ได้สําเร็จพระโสรบาบัญจากพระพุทธเจ้าท่านได้สําเร็จพระหรหันจากท่านหลวงพ่อจะไม่ไม่ผิดนะ ว่าพระมัณนฑนีหรืออะไรนี่เนะี่ยท่านได้ฟังทำรรจากพระมัณ น, นีท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันก่อนท่านก็ไม่ได้สําเร็จจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำนั่นก็คือทำของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระมัณนฑนีเอามาย่อยให้ฟังอีกท่านก็เข้าใจจนท่านได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันนะอันนี้ก็คือพระอา น, นุนั่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้อานาล์ฟัง มาที่นี่นก็แสดงให้อานนท์ฟังอานนท์เป็นคลังของพระธรรมบางอันแต่แต่ท่านจะได้สาเร็จจริงๆท่านจะน่าจะได้สาเร็จกับพระพุทธเจา้าท่านได้สาเร็จกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเ่ตอนตอนที่ท่านจะได้สาเร็จพระอาหารหันต์ที่พระพุทธเจา้าปรินิพานไปแล้วสามเดือนท่านก็มาภาวนาของท่านอีกพระพุทธเจา้าปรินิพานไปแล้ว ท่านก็มาภาวนาจนสามเดือนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรอรหันต์ตามลําพังพระองค์ท่าน น, นี่คือพระอ น, นุณเพราะนั้นที่หลวงพ่อยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับระดับใดระดับหนึ่งคือระดับความเข้าใจของเราถ้าเราเข้าใจในธรรมะ ถึงจะไม่มีการเทศนาว่าการแต่เราไปพบไปเจอไปเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันกระทบกระเทือนใจของเราจากนั้นเราขอนำมาคิดมาพิจารณาซึ้งในใจของเราหรือเราไปเห็นคนตายอย่างนี้นแต่ก่อนเราก็เคยเห็นคนตายแต่วันนี้เราไปเห็นคนตายพิเศษเห็นเข้าไปแล้วมันซึมซับเข้าสู่จิตใจอย่างลึกซึ้งมากไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ครั้งนี้ทําไมใจของเราจริง แล้ึกถึงความตายได้เห็นคนตายเนี่ยมันเข้าลึกในจิตใจของเราเหลือเกินจนมันเห็นว่าบเข้าไปในจิตใจจนรู้สึกว่าปล่อยวางเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปหมดอในจิตในใจอันนี้แปลว่าเราเห็นด้วยปัญญาอันลึกซึง้งอแต่มันแปลกบางครั้งเราก็เห็น แต่มันไม่เห็นชัดอย่างนั้นแปลว่าบุญบารมีหรือว่าสติปัญญาของเรามันยังอ่อนอยู่แต่ในครั้งนั้นเราเห็นในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือการเห็นด้วยปัญญาด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเห็นสิ่งไหนก็ตามนำมาคิดนำมาพิจารณาด้วยปัญญาเข้ามาส่วนลึกของใจนะอันนี้ก็คือปัญญาปัญญาเห็นสิ่งภายนอก แล้วก็ตีตร่อมเข้ามาสู่จิตใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะเทนิกนที่จะเห็นอย่างนั้นได้โดยมากจะต้องได้ฝึกมาก่อนพอสมควรนะฝึกอะไรฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งถ้าจิตของเราปรุงฟุ้งซ่านปุงออกไปข้างนอกจนไม่มีหลักยึดจนหากดเกณฑ์ไม่ได้ จนปวดหัวว่างั้นเถอะจนจะเป็นบ้าว่างั้นเถอะเออมันคิดมากๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใจมันร้อนผิดปกติเอจนจับต้นชนปลายไม่ถูกมันเคยมีนะอมันมันคิดออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงเราก็รู้ว่าใจประเภทนั้นมันเป็นยังไงมันร้อนระอุถึงขนาดไหนหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ทางจิตใจเพราะฉะนั้น ในเมื่อปกติถ้าเมื่อมันหยุดในตัวนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะไว้ใจมันอีกอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดกับเราอีกแน่นะจิตประเภทอย่างนั้นเพ้อเพอเราเป็นบ้าได้ง่ายๆเลยถ้าจิตประเภทอย่างนั้นเข้ามาบ่อยๆเพราะนั้นเราไม่พึงปราถนานในจิตใจประเภทอย่างนั้นเราก็ควรจะฝึกสมาธิทีนี่พยายามทาจิตให้สงบดูสิทายัางไงจิตจึงจะสงบได้ อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนนั่งสมาธิอย่างพระประธานข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยท่านนั่งยังไงนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงตํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธพุทโธในใจนี่แหละวิธีฝึกขัดสมาธิเบื้องต้น ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือแนวทางนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมฐานที่จะให้กําหนดนั้นมีอยู่สี่สกรรมฐานอ่าพุทธาธรรมาสังคาศีลาจาคาเทวตามรณะนุสติจนถึงอุปสมานุสติจากนั้นก็กสิ้นสิมีอีกหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าให้กําหนด เป็นเป้าหมายที่กํากำหนดให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเราท่านแนะนำให้ภาวนาพุทธโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกท่านว่ากรรมาฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกนีเกือบถูกกับทุกจริตจริตถอ่ะอ่า บิดกจรลิตศรัทธาจรลิตราคะจริดโทสะจรลิตโมหะจะิดพุทธจรลิตนะ่ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถูกกับเกือบทุกจิติที่จะทำจิตให้สงบให้ไดนะ้เพราะนั้นพวกเราต้องพยายามนะฝึกหัดให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโทพุทโทพุทโท พยายามบังคับให้จิตใจเข้าสู่ความสงบให้ได้อันดับแร่งนะต้องบังคับนะไม่ใช่จะปล่อยปะแลวเลยจะให้มันสงบเองมันเป็นไปไม่ได้แต่บางคนพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจะคอยให้จิตใจพิจารณาทางด้านปัญญาเองให้เกิดปัญญาเองอันนั้นก็อย่าหวังนะอย่าหวังเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกคิด ป, ปิญญาพวกรู้ได้เร็วเป็นไปได้แต่ถ้าว่าพวกรู้ได้ช้า อย่างทันธาภิญญาเนี่ยเราต้องพยายามบังคับใจของเราให้ออกพิจารณาบังคับใจตัวเองให้คิดอย่าไปให้มันอยู่เฉยๆบังคับจิตให้มันออกคิดในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วคิดอะไรอันดับแรกค็คิดเรื่องนี่แหละเราจะพิจารณาธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสี่ มีดินมีน้ำมีลมมีไฟน้ำคืออะไรพวกเลือดถ้าเราสูบเลือดออกทั้งหมดสูบน้ำออกทั้งหมดร่างกายของเราเหี่ยวแห้งอยู่ไม่ได้ตายร่างกายของเรามีลมถ้าถอดลมออกหมดไม่หายใจร่างกายอยู่ไม่ได้ตายถอดธาตุไฟออกทั้งหมดแช่น้ําแข็งไว้ ไม่ให้มีความอบอุ่นในร่างกายเลยร่างกายอยู่ไม่ได้ตายแต่ร่างกายนี้พื้นฐานของร่างกายคืออะไรคือดินที่เป็นของแข็งทั้งหลายเนี่ยท่านว่า ก, กระดูกเป็นธาตุดินที่อยู่ในร่างกายของเราเพราะฉนั้นธาตุดินสัมพยุตกันดินน้ำํำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราจะพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟก็ได้ พิจารณาธาตุใดธาตุหนึ่งก็ได้พิจารณากระดูกอย่างเดียวตั้งแต่หัวจุดเท้าร่างกายของเรามีกระดูกเป็นโครงสร้างอย่างนี้พิจารณาร่างกายอย่างนี้ก็ได้หรือพิจารณาให้เห็นพวกน้ําทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของเราแต่เอาเข็มจิ้มไปตรงไหนเอาน้ําจิ้มไปในน้ําเอามีดแทงลงไปที่ไหนน้ําจะทะลั ก, กออกมาเลยสีแดงเถือกเลยอันนี้แปลว่าน้ําอยู่ในร่างกายของเราคือเลือดนะ ถ้าเลือดยังมีอยู่ยังปกติอยู่ร่างกายของเราก็อยู่ได้แต่เลือดออกหมดแล้วร่างกายของเราก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือร่างกายเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจะพิจารณาทบทวนดูอย่างนี้ก็ได้ให้เห็นตามความเป็นจริงในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอะไรให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือพิจารณาธาตุสี่ถ้าพิจารณาเป็นอสุภะ ร่างกายของเรามีอะไรบ้างอาการสามสิบสองเนี่ยเกษาโลมาเกษาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามวาใจตับพังผืดไตปวดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพวกดีพวกเสลจน้ำเลือดน้ำปัสสาวะอย่างนี้อันนี้แปลว่าอยู่ในร่างกายของเราถ้าหนังหุ้มอยู่ เราก็มองไม่เห็นถ้าถลกหนังออกไปก็เจอเนื้อทันทีเลยแดงเถือกเ่าพอเจือเนื้อออกไปเห็นกระดูกทันทีเลยเห็นเส้นเอ็นทันทีเลยในร่างกายของเรานะเป็นอย่างนี้จริงไหมให้พิจารณาอย่างนี้อยู่ตลอดพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆอย่างนี้เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละ ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วในเมื่อเราเห็นร่างกายตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็ไม่หลกไม่ยึดไม่มันมให้ไม่ยึดมั่นในร่างกายถอนอัตตาคือความยึดมั่นในตัวตนเสียนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้เห็นตามความเป็นจริง อันนี้แปลว่าเราพิจารณาทางวิปัสสนาดูร่างกายจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงอสุภะพิจารณาธาตุสี่พิจารณาอสาุภะหรือว่าพิจารณาความตายคนทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ ไม่รู้ใครจะตายเวลาไหนไม่ได้เลือกเช้าสายบ่ายเย็นไม่ได้เชื่อว่าเท่าแก่กชลาไม่ได้เลือกว่าเวันร่ำเวลาไหนถ้าหมดลมเมื่อไหร่จะตายเวลานั้นเพราะนั้นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจงของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจากนั้นก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาก็ได้พิจารณาความตายก็ได้ เป็นธรรมะปัตสนาทางนั้นจากนั้นก็เข้ามาสู่จิตใจของเราในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าอันนั้นเป็นอนจิจจงอันนั้นเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นอสุภะปฏิกูลอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทำไมใจของเราจึงไปลุ่มหลงไปมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นจึงไปให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านั้นใจของเราทาไมไม่คิดไม่ทบทวนดู ในเมื่อใจของเราเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราสอนใจของเราใจของเราเตือนใจของเราใจของเรารู้แจ้งในหัวใจของเราแต่ทนี้ก็ถอดถอนการยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว่รู้ตามความเป็นจริงปล่อยวางนะนี่แหละให้ดูจุดนี้แหละดูใจทีนี้ทีแรกก็ดูกายซะก่อนทีแรกให้ใจสงบซะก่อนนึกว่าจิตสงบแล้วก็มาดูพิจารณาดู ทางวิปัสสนาจากนั้นกับพิจารณ า, าดูใจทห่ดูการเคลื่อนไหวของใจใจไปติดในเวทนาแห่งความสุขความทุกข์ความเศร้าหมองความผ่องใสไปยึดติดในธาตุสีใช่ไหมไปยึดติดในร่างกายใช่ไหมไปยึดติดในความสุขใช่ไหมความสุขกับความทุกข์นั้นมันอยู่คนละมุมกัน เหมือนกับมืดกับแจ้งอยู่นะมืดกับแจ้งอย่างปีกลางวันและกลางคืนความสุขกับความทุกข์อยู่ในใจของเรานี่มันอยู่คนละเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองถ้าเราดูให้ชัดเจนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คิดปั๊บปั๊บปั๊บปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราเราเลือกได้หรือเราเราไม่ได้เลือกได้เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามใจของเรามันจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นให้ดูใจดูใจสมองดูใจผองใส เออมันเกิดอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาดูจุดนี้แหละผู้ที่จะเอาตนพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้ไม่ใช่ดูที่อื่นนะดูที่ใจปล่อยวางลงที่ใจแก้ไขที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระหันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ความถ้าอยู่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเ อ, อ่อปล่อยวางได้ นิพพานังปรมาังสุขังไม่อยู่ในที่อื่นอยู่ในจุดนี้อยู่ในจุดที่อยู่ในใจของเราเนี่ยให้ดูดูจุดนี้ดูที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระอรหันต์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะนั้นถ้าหาว่าเราใช้ธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะโยน นาทีสุดท้ายเลยว่านิวเคลียร์นิวตอนลงไปที่จะทําลายจริงๆนั้นธรรมะอนัตตานะตัวนี้แหละธรรมะอนัตตานี่นะจะทาลายภพชาติไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยวางาไปว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราทำลายรุดนั้นลงไปแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นลมลุกคโคคานตั้งแต่เรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาตั้งแต่เรื่องทําตนให้เป็นคนดีให้มีสัมมาทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในการสั่งสมบุญกุศลรักษาศีลหารักษาศีลอโบสถตลอดถึงการพําเพลนอดนอนผ่อนอาหารจนถึงทํากิตให้สงบเป็นหนึ่งปริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆ เข้าสู่จิตใจจากนั้นก็ได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ำลมไฟเพียรนาสุภะปฏิกูลให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไตร ล, ลักษณ์อนิจจงทุกขังอนาาัตตาจนย้อนมาถึงตัวจิตตัวใจตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวผู้รู้ มันจะรู้แจ้งที่นั่นเห็นจริงที่นั่นหลุดพ้นที่นั่นไม่เป็นที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านท่านหลายนะให้ดูใจของเราโลกมันก็นเป็นอยู่อย่างนี้น ะ, ะมีสุขมีทุกข์มีร้องห h o ร้องไห้ใครจะว่าสุขขนาดไหนก็สุขเถอะอีกสักวันหนึ่งก็ร้องไห้ฮือๆนะว่างั้นแต่ในโลกก่นนี หาความสงบสุขได้ที่ไหนโลกนี่พระพุทธเจ้ายอมแพ้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านให้เห็นให้เห็นโลกปองโลกไม่ต้องมองที่อื่นนะมองในใจของเราเนี่ยถ้าเห็นใจของตัวเองเราจะมองโลกหเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าวัดใจตัวเองยังมองใจตัวเองไม่เห็นแล้วมองสิ่งไหนก็ไม่เห็นมืดหมัวไปหมดแต่ถ้ามองใจตัวเองชัดเจนแล้วจะมองเห็นได้โลกวัตฏะสงสารเนี่ย ใครว่าสุขนะั้นมีแต่กิจคนกิเลสหนาปัญญาหยาบโมฆะบุุษโมฆะสติเท่านั้นเองสำคัญวันโลกนี่คือวิมานคือสวรรค์คือความสุขแต่ทางพระอริยะเจ้าทั้งหลายมองแล้วมันเป็นฟืนเป็นไฟที่จะเผาไหม้จิตใจของเรามีแต่ความทุกข์นั่นแนะ่ะอีกวันหนึ่งข้างหน้า อีกวันหนึ่งจุดหนึ่งอีกสักชั่วระยะหนึ่ง อ, อย่างน้อยกระนั้มรณะภัยเข้ามาถึงตัวเองนะเมื่อนั้นแหละเห็นได้ชัดเจนเลยแหละทุกนันคืออะไรทุกเป็นของจริงจะรู้ได้โดยตัวเองทุกขังอริยะสัจจังเห็นได้นะเลยเพราะนั้นพวกเราขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เมื่อได้รับ ฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ได้เอามาเผยแผ่ออกมาพูดเล่าสู่กันฟังกอพยายามหาทางออกนะพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกออให้เห็นตามความเป็นจริงโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออทดลองดูก็ได้พิจารณาดูก็ได้เราเห็นไหมว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราล้มหายตายจากไปมากตัวมากแล้วเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะตาย เราเห็นไหมเห็นคนที่จะเจ็บไข้เดรป่วยคนจะตายมันทุกข์ขนาดไหนนะถ้าเราพิจรารณาดูเห็นตามความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้นะมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นพวกเราอย่าไว้ใจอย่านอนใจในวัฏฏะสงสารพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกนั่นดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านหาทางออกไว้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราและให้พวกเราคิด ติดตาติดตามพิจารณาตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเอาไว้นะต่อ น, นี้ไปให้พวกเรานั่งสมาธิฮนะแล้วก็ช่วระยะนั่นและก็จะค่อยออกจากสมาธิจากนั้นก็ค่อยปฏิบัติกันต่อไปนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะวันนี้เดือนหงายอีกให้พวกเราต้องอกตั้งใจพอวันนาเอาเต็มทีนะวันนี้นะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งภาวนาให้มากวันนี้เป็นวันออกพรรษานะต่อตอนนี้ไปนั่งสมาธิาก่อนที่นั่งสมาธินั่งเรียบร้อยแล้วนะประนมมือขึ้นระหว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโอสังโฆนะพุทโธธรมโมสังโฆไหว้ครูซะก่อนไหว้รวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจจากนั้นก็ออมมือลงนะบริกรรมพุทโธพุทโธในใจ ทำให้กับพุทโธพุทโธพุทโธในใจก็ได้แต่ไม่ต้องพูดออกปากนะให้นึกพุทโธในใจสำทับอยู่ในใจพุธโธพุธโธพุธโธพุธโธนะหรือผมกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุธหายใจออกโทก็ได้